ตอนที่สี่สิบเจ็ดทอนมั่นเสียเถอะพอเขาตะโกนขึ้นมาบรรดาผู้ประสบภัยต่างก็มีวินิจดเยี่ยมรีบเข้าแถวต่อกันเป็นแนวยาวหลายสายในทันทีเยี่ยาวกับเยี่หัวศพตากันให้เรื่องจบลงเพียงเท่านี้เถอะหญิงชรากำลังจะพาหลานสาวเดินจากไปแต่ถูกเยี่ยยาร้องเรียกไว้เสียก่อนคุณยายท่านรอประเดี๋ยวเจ้าค่ะเยี่ยเยาอยากจะดึงตัวนางไว้แต่ก็กังวลเรื่องบาดแผลที่มือของนางจึงทำได้เพียงคว้าชายเสื้อเอาไว้เบา หญิงชราหันกลับมาดวงตาทั้งสองข้างแดงก่ำด้วยความรู้สึกผิดยายแก่คนนี้เกือบจะทำให้คุณหนูเดือดร้อนเสียแล้วไม่มีหน้าจะอยู่ต่อจริงๆเย่เยายิ้มอย่างอ่อนโยนคุณยายท่านกล่าวว่าจาใดกันบาดแผลบนตัวท่านปล่อยไว้ไม่ได้ต้องรีบรักษาเจ้าค่ะท่านรอสักครู่เถิดท่านหมอกำลังจะมาแล้วหากท่านไม้คิดถึงตัวเองก็ควรจะคิดถึงหลานสาวของท่านบ้างนะเจ้าะ เมื่อได้ยินเช่นนั้นหญิงชาราก็น้ําตาคลอพลางก้มลงมองหลานสาวที่ว่า น, นอนสอนง่ายและไรเดียงสารนางอกกอดเด็กน้อยไว้ในอ้อมอกแน่นสะอื้นให้จนพูดไม่ออกแววตาของเย่เยออ่อนแสงลงนางคือชีวิตที่ท่านยอมเสี่ยงตายคว้าเอาไว้ในกองเพลิงและมวล น, น้ําเชี่ยวกรากเชียวนะเจ้ากะหญิงชาราร้องให้โฮออกมาจนพูดอะไรไม่ได้อีกได้แต่พยักหน้าทั้งน้ําตาลินเซินยืนมองอยู่ด้านข้างในดวงตาของเขามีเพียงภาพของว่ัตถิปชายาผู้แสนอ่อนโยนและมีจิตใจเมตตา ตอนนี้พอมาลองคิดดูแล้วเขารู้สึกโชคดีจริงๆที่ตอนนั้นชิงทุนขอราชโองการพระราชทานสมรถตัดหน้าชูเฉอแย่งชิงว่าที่พระชายาผู้นี้มาได้สําเร็จคุ้มค่าเสียยิ่งกว่าคุ้มไม่นานนักหมอหลี่ก็มาถึงเขาจัดการทําความสะอาดบาดแผลให้หญิงชราและพันแผลให้อย่างละเอียดท่านหมอที่เยี่ยหัวไปเชิญมาก็ทยอยมาถึงที่หมายมีการกลางป ร, รำพิธีชั่วคราวอยู่ข้างๆเพื่อตรวจรักษาและแจกจ่ายยาฟรีหมอหลี่เองก็อยู่ช่วยด้วยเช่นกัน วันแรกของการบรรเทาทุกเสียงชื่นชมระบือไปทั่วทั้งเมืองแม้แต่บรรดาขุนนางฝ่ายทัตทานที่ปกติจะปากรายย้ายยังหาโอกาสชมเชยได้ยากยิ่งต่างพากันยกย่องว่าเย่เยามีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีคุณธรรมสูงส่งในการบรรเทาทุกแก่ผู้ยากไร้ฝ่าบาททรงชื่นชมเป็นอย่างมากจึงมีราชองค์การแต่งตั้งเย่เยาเป็นท่านหญิงหนิงเลอจนกัวกงจึงได้หน้าได้ตาเป็นอย่างยิ่ง ส่วนสิ้นอ๋องที่เพิ่งจะเด่นดังขึ้นมาเพราะเรื่องของเซียชิงจือกลับถูกเบียดกระเด็นไปอยู่ข้างทางเสียแล้วแม้แต่ฟาบาดเองก็ทรงรำคาญที่เขาได้คืบจะเอาศอกจึงไม่ทรงอนุญาตให้เขาเข้าเฝ้าตลอดทางที่กลับจนอ๋องเขาสามารถมองเห็นซุ้มแจกโจกของจนกัวกงได้ทุกที่ทุกคนต่างพากันยกย่องจนกัวกงและชื่นชมเย่เยาสิ้นอ๋องกโกรธจัดจนต้องปิดม่านรถม้าเสียสนิทนั่งหุดดัดอยู่ภายในเกี้ยวเพียงลำพัง เมื่อกลับถึงจวนสิ้น อ, องเขาก็เต็มไปด้วยความโกรธเคืองประจบเหมาะกับที่หลิงเซินกำลังเล่าเรื่องการบรรเทาทุกข์และแจกโจกให้หวังเฟยกับเซียชิงจือฟังด้วยท่าทางตื่นเต้นพอดีการบรรเทาทุกครั้งนี้ทําได้ยอดเยี่ยมจ ร, จริงๆลูกไม่นึกเลยว่าแม่นางน้อยอย่างนางจะมีแผนการที่ชานฉลาดเช่นนี้แม้แต่ฝาบาทก็ยังทรงแต่งตั้งนางเป็นท่านหิงหนิงเล่อในเมืองหลวงไม่มีใครไม่ยกนิ้วโป้งชื่นชมหวังเฟยรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยนางไม่ได้ลอกเลียนแบบผู้อื่นหรอกหรือ วิธีนี้เซินเอ๋อเป็นคนเริ่มใช้ก่อนแท้ๆจวนกัวกงมาชุบมือเปิบเอาความดีความชอบไปเปล่าๆ เ, เ, เซินเอ๋อเจ้ายังจะไปชมเชยนางอีกนางไม่เคยเห็นเจ้าเป็นว่าที่สามีเลยด้วยซ้ําเสี่ยชิงจือสวมผ้าคลุมหน้านั่งอยู่ด้านข้างนางไอเบาๆสองสาครั้งก่อนจะเอ่ยแทรกด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงตอนนั้นพี่เซินเป็นคนเริ่มบรรเทาทุกแจกโจ ก, ก่อนจริงๆเจ้าข้าไม่ทราบว่าตอนนี้เรายังจะทําต่อได้หรือไม่ ลินเซิรยังไม่ทันได้อาปากตอบก็ได้ยินเสียงเกลียวกราดของสิ้นอองดังขึ้นเสียก่อนทําต่ออะไรกันเรื่องหลอกลวงสร้างชื่อเสียงเช่นนี้มีแต่พวกประกูลเย่เท่านั้นที่ทําได้จวนสิ้นอองของเราไม่ลดตัวไปทําเรื่องเช่นนั้นหรอกสิ้น อ, องก้าวเข้ามาพร้อมกับรังสีอมริตคนทั้งครอบครัวต่างรีบลุกขึ้นต้อนรับทุกคนต่างรู้ดีว่าท่าทางอึดอัดขัดใจเช่นนี้คงเป็นเพราะเขาต้องพ่ายแพ้ในราชสำนักและโกรธ จ, จัดมาแน่ๆจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปยั่วโมโหเขา หากเป็นเมื่อก่อนหลิงเซินคงจะพูดคอยตามเพื่อให้เขาหายโกรธแต่ครั้งนี้เขากลับขมวดคิ้วแน่นและพูดความจริงออกมาสเสด็จพ่อจะเรียกว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงหลอกลวงได้อย่างไรกันลูกหากยาวๆไม่บร็เทาทุกแจกโจกด้วยจํานวนผู้ประสบภัยในเมืองหลวงตอนนี้อาจเกิดจะลาจนขึ้นได้ทุกเมื่อนะับภายคะ่ะผู้ประสบภัยทนหิวโหวยมาจนถึงเมืองหลวงหากยังไม่มีกินไม่มีใช้เมื่อถึงคราวอับจนหนทางพวกเขาจะทําเรื่องร้ายแรงเพียงใดก็ได้ เมื่อเกิดจลาจลขึ้นคนแรกที่ต้องรับผิดชอบก็คือลูกที่เป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์พวกเขาก็เป็นราษฎรเหมือนกับเสด็จพ่อโปรดสอลูกทีเถิดว่าควรจะปราบปรามพวกเขาจริงๆหรือนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงหากไม่ปราบปรามก็ไม่อาจสงบจลาจลได้ราษฎรในเมืองหลวงก็จะเดือดร้อนหากปราบปรามก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทําลายชีวิตผู้ประสบภัยก่อให้เกิดการนองเลือดซึ่งราษฎรก็เดือดร้อนเช่นกัน ไม่ว่าจะทําอย่างไรก็ล้วนแต่ทําให้ราชวงศ์เสียหน้าอย่าว่าแต่ลินเซิร์นที่ลําบากใจเลยแม้แต่ฝ่าบาทเองก็ต้องทรงพิโรธและพานมาถึงจวนสิ้นอองอย่างแน่นอนสิ้นอองย่อมคิดถึงเรื่องเหล่านี้ได้แต่เขากลับปากแข็งแค่พวกชาวบ้านพัดถิ่นจะก่อเรื่องอะไรได้เชียวเจ้าเป็นถึงซื่อจื่อแห่งจวนสิ้นอองเป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ยังจะกลัวเรื่องแค่นี้อีกหรือเขาโกรธจนสะบัดแขนเสื้ออย่างแรงช่างเป็นการยกย่องผู้อื่นและข่มขวัญตัวเองจริงๆ ตอนนี้จนสิ้น อ, องถูกจนกัวกรมกดหัวไว้ทุกเรื่องยังไม่พออีกหรือเจ้ายังจะไปพูดช่วยพวกมันอีกหากเกิดจลาจนขึ้นจริงๆก็ดีสิเจ้าที่เป็นผู้บัญชาการจะได้มีโอกาสสร้างผลงานยังไงก็ดีกว่าปล่อยให้จนกัวกงชิงความโดดเด่นไปหมดเช่นนี้เจ้ามันไม่มีความพยายานเอาเสียเลยทำเอาข้าโกรธจนจะตายอยู่แล้วหลินเซินเสด็จพ่อเราต้องว่ากันตามเนื้อผ้าการที่ผู้ประสบภัยได้รับการดูแลอ ย, อย่างเหมาะสมย่อมเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสิ้น อ, อง ข้าว่าเจ้าคงถูกนางเด็กตระกูลเย่ น, นั่นทําให้ลุ่มหลงจนเสียสติไปแล้วดูสิว่าช่วงนี้เจ้าทาเรื่องอะไรลงไปบ้างในเมื่อตระกูลเย่เองก็ดูไม่เต็มใจนักตามความเห็นของข้าสู้ทําตามความต้องการของพวกเขาเสถอรถอนมั่นเสียเมื่อได้ยินเช่นนั้นดวงตาของเซียชิงจือก็เป็นประกายขึ้นมาทันทีนางสบตา ก, กับหวางเฟยด้วยสีหน้าท่าทางประหลาดหลิงเซินพรงออกมาทันควันไม่ได้เด็ดขาดสเสด็จพ่อ นี่เป็นสมรสพระราชทานจากฟาบาทจะเห็นเป็นเรื่องเล่นเล่นได้อย่างไรงานแต่งนี้ห้ามถอนเด็กขาดสิ้นอ่องโมโหเป็นฟืนเป็นไฟดูเจ้าตอนนี้สิเพื่อเยเด็กนั่นถึงกับกล้าพูดกับพ่อเจ้าเช่นนี้เชียวหรือยายเด็กนั่นดังแกชิงจือครั้งแล้วครั้งเล่าคอยขัดขวางจนสิ้นอ่องไปเสียทุกเรื่องนางดีที่ตรงไหนกันชิงจือโตมาพร้อมกับเจ้าเป็นรักแรกพบที่ผูกพันกันมาแต่เยไว้ไม่ดีกว่ายายเด็กนั่นตั้งหลายเท่าหรือ เจ้าดูสิว่านางทำเพื่อเจ้าทำเพื่อจนสิ้นอ๋องไปมากเพียงใดหากนางไม่ยอมเสียสละตัวเองกินยาพิษเพื่อไถ่โทษป่านนี้ข้าคงยิงถูกพวกขุนนางฝ่ายทัดทานชี้หน้าได้อยู่เลยหวังเฟยรี่ผู้แทรกขึ้นมาทันเวลานั่นสิเจ้ากะเดิมทีแม่ก็รับชิงจือเป็นลูกสะใภ้ตั้งนานแล้วแม้ฝ่าบาทจะมีพระประสงค์จะพระราชทานสมรสแต่ก็ยังไม่มีราชโองการลงมา มีแต่เซินเอ๋อที่ใจร้อนวิ่งไปทูลขอราชโอ่งการจนไม่มีทางถอยแถมยังทำให้ชิงจือต้องลำบากใจมาเป็นพระชายารองอีกลินเซินตาแดงก่ำเขาเหลือบมองเสี้ยชิงจือแต่ก็ไม่กล้าพูดจารุนแรงให้นางต้องเสียใจเรื่องนี้อย่างไรเสียลูกก็จะไม่ถอนมั่นเด็กขาดและถอนไม่ได้ด้วยสิ้นอองตกโต๊ะดังปังเรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องที่พ่อแม่จัดการตามคำสั่งของสื่อกลางเจ้ายังมีสิทธิพูดว่าไม่ได้อีกหรือลินเซินสเสด็จพ่อท่าน สิ้นอองข้าทำไมข้าเป็นพ่อเจ้าข้าจะสั่งเจ้าไม่ได้เชียวหรือพ่อลูกคู่นี้ประจันหน้ากันอย่างตึงเครียดหวังเฟยกับเสี่ยชิงจือต่างรีบเข้าไปดึงตัวทั้งคู่แยกออกจากกันโทษท่านอองเพิ่งกลับจากราชสำนักไม่เหนื่อยหรือเจ้าคะไปพักผ่อนก่อนเถิดพี่เซินข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายท่านช่วยไปส่งข้ากลับห้องหน่อยได้ไหมเจ้าคะหวังเฟยประคองสิ้นอองให้นั่งลงบนเก้าอี้พางนวดหลังให้ส่วนเสี่ยชิงจือก็ลากหลินเซินออกไปนอกประตู ก่อนจากกันทั้งสองคนสบตากันอย่างรู้ใจเสี่ยชิงจือพยักหน้าเบาๆและหวางเฟยก็เผยรอยยิ้มที่ดูประหลาดออกมาเช่นกัน